พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสกายคตาสติสูตรวิธีเจริญกายคตาสติซึ่งมีอานิสงส์มากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละภิกษุหลายรูปได้สนทนากันเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากและสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากพระลาชมาบัดเสด็จไปยังหอฉันรเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าสนทนาเรื่องอะไรกันค้างไว้เหล่าภิกษุจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร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 สำเนียกว่าเราระ ง, งับกายสังขารหายใจออกสำหรับคำว่าระ ง, งับกายสังขารหมายถึงผ่อนคลายลมหายใจหยาบให้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีลมหายใจอยู่หรือไม่เปรียบเหมือนเสียงเคราะังครั้งแรกจะมีเสียงดังกังวานแล้วแผ่วลงจนถึงเงียบหายไปในที่สุด ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ยอมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและขวดถัพพะได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นยอมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกพุดธขึ้นตั้งมัน่นภิกษุชื่อว่า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 ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการกรองสังาติบาทและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันดื่มเคี้ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการเดินยืนนั่งนอนการตื่นการพูดการนิ่ง ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่อย่างนี้ย่อมละความดั่ริที่สับสนอ น, นาสัยกามคุณห้าได้เพราะละความดั่ริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดํารงคงที่เป็นธรรมะเอกพุทธขึ้นตั้งมัน่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคัตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่ง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 ดีสเลดหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธั ญ, ญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดงาคนตาดีเปิดถุงนั่นออกพิจารณาเห็นว่านี่เป็นข้าวสาลีนี่เป็นข้าวเหลือก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 ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณห้าได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จจตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกพุดธขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟและธาตุลมอยู่คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชนานาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินน้ำไฟลม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 ภิกษุเห็นซากศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแรงถึงกินนกตระกุมจิกกินสุนักสุนักจิ้งจอกหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากกยนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาท ชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เข้าทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรึงรัดอยู่เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปละมีเอ็นรึงรัดอยู่เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่เป็นโครงกระดูก ไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวสันหลังซี่โครงก้านคอกระดูกคางกระดูกฟันและกระโหลกศีรษะต่างอยู่กระจายต่างทิศกันไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติย่าฌานอยู่เธอทํากายนี้ให้ชุ่มชื้นเ อ, อิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรร ล, ลุตัติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้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 จะพึงตักน้าได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะพิษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันพิษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมานยอมได้ช่องได้อารมณ์ของพิษุนั้นพิษุทั้งหลายกายคตาสติอันพิษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมานยอมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิษุนั้น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 ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนหม้อน้ํามีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกาลัง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 เรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาในมีแท่เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกในสารถีผู้ฝึกมา้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแท่พึงขับรถไปอย่างที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเหนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงสิปการนี้คือหนึ่งเป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำยอมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3. เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวน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 อาพิเจตสิกในที่นี้จิตที่หมดจดอย่างยิ่งหรืออาทิจิตเรียกว่าอาิเจตสิกคือจิตผ่องใส ย, ยิ่งหรือจิตที่เกิดในอาิเจตสิกจะมีความนึกคิดอันแจ่มใสอีกอย่างหนึ่งจิตที่อาศัยอาิเจตสิกชื่อว่าจิตของผู้มีความนึกคิดอันแจ่มใสหบรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพระมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กําหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตผดคูจิตเป็นมหกตะจิตเป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดตามจริงของจิตนั้น 8. ประลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9. เห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม10เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน